หรือว่าเรายังเดินตามกระแสะโลกนะหรือว่ากระแสะกิเลสเนี่ยอันนี้ก็ไม่เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมอาจจะปฏิบัติในรูปแบบนะเช่นเวียนเทียนทอดผ้าปา่าไส่บาทนะแต่ว่าเข้าไปถึงสาระของมันนะเราก็ต้องถามตัวเรเองว่าเราปฏิบัติธรรมมาอาจจะเรียกว่าตั้งแต่เล็ก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 แต่ว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะในเรื่องการประกอบเหตุทําเหตุให้ดีผลเป็นอย่างไรเอาไว้ก่อนนะประกอบเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะในเรื่องความเพียร น, นะศา ส, สนาพุทธในศา ส, สนาในความเพียร น, นะชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยพุทธกาลก็ ค, คือวิริยะวาทหรือวิริยะวาทะก็คือคําสอนเกี่ยวเรื่องความเพียร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 อันนี้มันทวนกระสาโลนนะกระสาโลนนี่ก็จะเน้นแต่เรื่องว่าทำไงถึงจะให้ได้ผลออกมาอย่างที่ต้องการอยากรวยก็คิดแต่ว่าทำไงจะทาไงถึงจะรวยเร็ ว, รวโดยที่ไม่ได้สนใจการประกอบเพจแทนที่จะขยันนะก็เอาเล่นการพนันหรือไม่ก็ไปบนบานศาลกล่าวไปศาลพระพรมมาไปศาลพระอินบ้างอันนี้เป็นพวกที่เน้นเรื่องผล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 ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะยังเป็นการเดินกเดินตามกระแสกิเลสอยู่ถ้าเดินทวนกระแสกิเลสเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแต่ให้ด้วยวัตถุนะแต่ว่ายังสละออกไปที่ใจด้วยก็คือปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ปรารถนาจะได้อะไรนะเน้นเรื่องความมุ่งที่กำจัดความโลภนะให้ทานแต่ว่ายังอยากจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินทองเป็นความร่ำรวย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 การแบกการยึดนะทั้งที่ไอสิ่งที่แบกนะมันก็ไม่ได้จําเป็นไม่ต้องเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเสมอไปนะเราไม่ได้แบกเฉพาะเงินทองชื่อเสียงกิจติยศหรือว่ายึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเท่านั้นนะไอสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรานี่ก็ยึดนะความเศร้าโศกความโกรธความเสียใจความรู้สึกผิดความอิจฉ้า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 เวลาเศร้าโศกก็จะจมดิ่งอยู่กับความเศร้าฟังแต่เพลงเศร้านั่งเจ้าจุกนะอันนี้เรียกว่ายึดนะแบกนะแต่ว่ากระสะาธรรมเนี่ยคืออะไรนะคือปล่อยนะปล่อยไม่เพียงแต่สละของดีที่ได้แก่ทรัพย์สมบัติที่ให้ความสุขแก่ตนและผู้อื่นเท่า น, นั้นแต่ยังรู้จักปล่อยรู้จักวางนะสิ่งที่ ทำความทุกข์ให้แก่จิตใจคนเราท้ารักตนเนี่ยนะรักตัวเองอแท้จริงเนี่ยมันจะไม่ยึดเอาไว้นะไม่แบกเอาไว้ไมีแต่จะปล่อยอย่างเดียวนะเพราะว่าการแบกการยึดในเป็นของเป็นของหนักมันทําความทุกข์มาให้พุทเจา้าตรัสว่าเนี่ยคนผ่านปัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรู นะหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าไม่เพียงแต่ทำชั่วผิดศีลเท่านั้นนะแม้แต่คนที่ไม่ผิดศีลเนี่ยก็สามารถจะทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูดได้ก็คือว่าเก็บความทุกข์เอาไว้เก็บอารมณ์ที่เป็นอกุศลเอาไว้มีความโกรธก็เก็บหเก็บเอาไว้หวงแหนไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งความดันขึ้นจนนอนไม่หลับนะเวลามีความเศร้าโศกแทนที่จะรู้จักปล่อยรู้จักวางก็เก็บมันเอาไว้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 เราคิดแต่จะให้คนอื่นเ้าทำดีกับเราคิดแต่จะไปแก้ไขเขาแต่ลืมแก้ไขตัวเองหรือมองมว่าปัญหาอยู่ที่เรานะหลวงพ่อชาท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าเวลามีหลุมมันนะหลุมนะลมนะแล้วเราล่วงลวงเอามือล่วงเข้าไปในหลุมอนะถ้ามือเนี่ยล่วงไปไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยก็มักจะโทษว่าหลุมมันลึกแต่ไม่ค่อยมองว่าเป็นเพราะแขนเราสั้น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 เล่นงานย่ำยีจิตใจเราถ้าหมันมองตนเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าเนี่ยทุกข์เพราะวางใจผิดนะทุกข์เพราะไปแบกเอาไว้นะเวลาแบกหินหนักเนี่ยก็โทษว่าหินทําไมมันหนักแบบนี้นะคนหนึ่งเขาแบกหินเบากัทั้งนั้นทําไมเราหิดเราหนักเหลือเกินแต่ไม่ค่อยถามแล้วว่าเราแบกทาไม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 ไม่ได้แบกไว้ที่มือนะแบกไว้ในใจนี่เขามีไว้ชําละนะไม่ได้มีไว้ไว้แบกนะใช้ไม่เป็นนะเนี่ยถ้าเราหันมามองตัวเองเราจะพบเลยวนะ่าโอ้มันเป็นเพราะเราไม่มองไม่ดูใจตัวเองนะกระแสะโลนี่มันเพ่งออกนอกกระแสะในกระแสธรรมนี่เขากลับมาดูใจให้ลองพิจารณานะดูนะกระแสธรรมกับกระแสรลนี่มันสวนทางกันนะ ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเรายังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมชื่อเราไม่เปลี่ยนเลยนี่แสดงว่าเราจับสาระการปฏิบัติทำไม่ได้มาเข้าวัดนะเข้าวัดสิบปียี่สปีสาสปีก็ยังปล่อยชีวิตไปตามกระแสโลกเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้เจริญในที่นี้หมายถึงเจริญในความสุขนะไอเดินตามกระแสโลกเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จร่ำรวยมีชื่อเสียง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 ที่ผ่านมาเราที่ว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยทําถูกต้องไหมหรือถ้าอยากจะพิจารณาว่าเราปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแค่ไหนก็ให้มาดูตรงนี้แหละนะเอาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วนี่เราเราทวนกระแสรหรือเปล่านะนะหรือว่าเราตามกระแสตามกระแสโลกตามกระแสกิเลส นะถ้าปฏิบัติทมจริงจังเมืออทวนกระแสนะทวนกระแสโลกทวนกระแสกิเลสอย่างที่ว่ามาแล้วก็เช้านี้ก็เท่านี้นะ